พระไตรปิฎกเล่มที่14อาณาปานาสติสูตรวิธีเจริญอาณาปานาสติและสติปัฏฐานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนาปราสาทของมิคารมาตาในบุพาวรามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเทระมีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันก็สมัยนั้นพระเทระทั้งหลายสั่งสอนร่ำสอนภิกษุใหม่ทั้งหลาย คือภิกษุผู้เป็นเทระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ1ิบรูปบ้าง20สิบรูปบ้าง30สบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้างฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นควรภิกษุผู้เป็นเทระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ยอมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15าค่ำ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 ภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจากทรงรอยอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤ ด, ดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15บห้าค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงอันเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤ ด, ดูฝนพระผู้มีพระภาค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 ภิกษุสงฆ์ น, น, น, น, บบ น, งนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ชาวโลกยากจะได้พบเห็นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาสเสบียงคล้องบ่าควรเดินทางไปเป็นโยยศเพื่อพบเห็นภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศกอยู่จบรมอาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีพอสิ้นโอรัมพากิยะสังโยชน์หจะเกิดเป็นอกปฏิกะจะปรินิพพานในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดา ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยตสามและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะกลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชนสามไม่มีทางตกตำ่ำคือไม่มีทางเกิดใหม่ในอบายภูมิมีความแน่นอนที่จะสำเร็จโพธิในวันข้างหน้าในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสมรปรปัฏฐานสี่อยู่ ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอิธิบาท4อยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอินรี่ห้าอยู่เจริญพะละหอยู่เจริญโพชฌงเจอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมรรคมีองค์8อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญเมตตาอยู่ มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญกรุณาอยู่เจริญมุทิตาอยู่ในการจเจริญอุเบกขามีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภาษสัญญาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอนิจจสัญญาอยู่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ Una, ็ญความเพียรในการเจริญอาณาปานสติอยู่ อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงฆ์มากอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฐานสี่ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ยอมทำวิชาและวิมุตตให้บริบูรณ์อาณาปณะสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุเนี่ยทมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสำหรับคำว่าเรือนว่างหมายถึงเนศนาสนะเจ็ดอย่างเว้นป่าและโคนไม้ได้แก่ภูเขาซอกเขาถ้าในภูเขาป่าช้าป่าละมาอที่โล่งแจ้งและลลอมฟังเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว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 สัมเนียกว่า <Grade>. <trenches> Inform. เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสัมเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสัมเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสัมเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกสัมเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสัมเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออก สำเนีกว่าเรากำหนดรู้สุกหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้สุกหายใจออกสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกสำเนีกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้า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 สำเนีกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนีกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนีกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออกสำเนีกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนีกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนีกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนีกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสลละคืนหายใจเข้า สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายานาปนาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงมากานาปนาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฐานสี่บริบูรณ์ได้ คือสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า สำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปัช ญ, ญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ เรากล่าวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัชญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่สมัยได้ภิกษุสำเนีกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า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 สมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่สมัยได้ภิกษุสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกสำเนีกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนีกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนีกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้า เราตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนีกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าเราเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เราไม่บอกอาณาปานสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่สมัยใดภิกษุสำมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกสำมเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้วยอมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะเหตุ น, นั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ภิกษุทั้งหลายอาาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ได้สติปัฏฐานสีที่ภิกษุเจเริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงเจ็บริบูรณ์คือสมัยใดภิกษุกษพิจรารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้น ภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์คือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นยอมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมะวิจยสัมพช o งธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเป็นธรรมะย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมะวิจยสัมพช o งธรรมะวิจยสัมพช o งของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ภิกษุนั้นค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมพ ooth งคือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมพ o o งสมัยนั้นวิริยะสัมพ o o t งของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ สมัยใดปีติที่ปราศจากอามิ t h เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชงปิติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติ กายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปสัสสธิสัมโพชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบจิตย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญปสัสสธิสัมโพชงปสัสสธิสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น สมัยนั้นสมาธิสามโพ่ชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งใจมั่นย่อมเป็นอันภิกษุปรารพแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมพ่อชงสมาธิสามพ่อชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นอันภิกสุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกสุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงของภิกสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกสุทั้งหลายสมัยใดภิกสุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิ ช, ชาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสติสัมโพชฌงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชฌงเจตบริบูรณ์โพชฌงเจตที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชาและวิมุตตบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวก ค, คือความสงัด อาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางและโดยในยะเดียวกันเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเจริญวิริยะสัมโพชฌงเจริญปิติสัมโพชฌงเจริญปสัสสติสัมโพชฌงเจริญสมาธิสัมโพชฌงเจริญอุเบขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดนน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายพ่อชงเจดที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล จบอานาปนสติสูตร